พอนอมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสล้มบกลมเพื่อสามิ ท, าม ท, ท, า ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> ในในสมัยที่พระพเจ้ายังบำเพ็ญเพียรอยู่เนาะพระพุทธเจ้านั้นได้ส่งผ่านมาซึ่งการสุ ข, ขันและการนุโยค <c oughs> คือการนี้ได้ทรงเสวย เป็นเจ้าชายนะอยู่ในพระราชวังมีแต่ความสุขมีพระมเหสีที่งดงาม <c oughs> แล้วก็พร้อมด้วยสิ่งที่บันเทิงต่างๆ <c oughs> อาหารการกินนะมีแต่ความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาสุขันหร ก, การโยกนะซึ่งพระุบร์ได้ทรงเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกขนะ์ก็เลยนํามาบอกว่าขนทางเนี้มันไม่พ้นทุกแน่นอนนะเพื่อให้เราสแสวงหาขนทางที่มันไม่ใช่เป็นความสุข นะเพราะว่าคนที่ <c oughs> ติดอยู่ในความสุขทั้งหลายนะเขก็การเห็นความทุกข์นี่จะน้อยเพราะว่าสามารถที่จะสนองกิเลสได้เร็ว <c oughs> อยากจะกินอะไรก็ได้กินนะอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังอยากจะดูอะไรก็ได้ดนะูอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวมีแต่ความสุขเช่นเนี้ยมันจะไปหาหนทางที่จพนทุกข์ได้อย่างไรนะอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราติดในตรงนี้ไหม แล้วต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงออกมาบวชแล้วก็เพื่อที่จะค้นหาทางพ้นทุกข์ท่านก็ได้แสวงหาหนทางต่างๆนะจะเป็นการทรมานตัวเองโดยการอดอาหารต่างๆเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้ที่เรียกว่าเป็นอัตอาตาเกเรมาานุโยกคือในสมัยนั้นก็มีผู้ที่แสวงหาด้วยวิธีนี้เยอะมากนักบวชต่างๆก็แสวงหาด้วยวิธีนี้โดยการทรมานตนต่าง ๆ, ๆ อย่างที่เราเห็นว่ า, อาพอพระเจ้าอด อ, อาหารนี่ปัญญวคัคคีก็มาอยู่สนับสนุนกันนะเลยว่ามีการเชียร์อย่างเต็มที่เลยว่าอดนอาหารนี่ถูกต้องแล้วเนะพราะในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนี้กันนะแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกมาเริ่มรับประทานอาหารใหม่ปัญญวคีก็เห็นว่าเนี่ยพระพุทโธงก็หนีหนีจากความเพียรแล้วต้องไม่พ้นทุกแนะ่นอนก็เลย หลนะบนี้ไปอยู่ที่ปลายซีมนเล็กคาตายุวันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าการที่ทรมานต น, เ, นเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนนะ <c oughs> แต่พระเจ้าเห็นว่าไม่ใช่นะก็เลยเลิกทรมานไป <c oughs> พระเจ้าก็บอกว่าผลทางที่เราทรมานตนเนี่ยก็ไม่ใช่นะการทรมานตนในยุคเราก็คงจะน้อยลงไม่เหมือนในสมัยบบรารแล้วนะแต่เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราทา สิ่งใดได้ไปการทรมานตนหรือเปล่าเนอะเช่นอดอาหารต่างๆเหล่านี้นะหรือใบบัดเคร่งคัดเกินไปไหมโวยจริงโวยจังเกินไปไหมนะอันนี้ก็น่าจะจัดเป็นการทรมานตนในยุคนี้เหมือนกันนะเพราะการที่เราทํำสิ่งต่างเขาเรียกว่าทําเกินเกินไปนะจนเกินอย่างทางสายกลางแล้วก็อาจจะเป็นอักตักรือมาฐานุโยกันไม่ใช่ทางพ้นทุกได้นะ หลังนั้นพระวงก็ได้ทรงเจริญโดยอาณาปานสตินะแล้วก็พิจารณาปฏิจาสมบาทได้เข้าใจถึงเลขาสีแล้วก็จิตถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอัสวะ <c oughs> ก็คือจิตนันก็พ้นจากความปรุงแต่งทุกอย่างนะก็เข้าสู่ปนิพานที่จะหาหนทางในตรงนี้เพราะวันได้ทรงคนพบแล้ว ว่าทางคนทุกข์ที่แท้จริงคือไหลนะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสร้แล้วก็ได้ทรงปราลบนะเรียกว่าเป็นปฐมพุทธภาษิตปราลบออกมาว่านะเมื่อเรายังไม่พ้ยญาณได้ท่องเที่ยวไปใ น, ในสงสารเป็นในกชาตนะสแสวงอยู่หาซึ่งนายช่างผู้ปลุกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกล้าไป วันนี้เราได้บพบแล้วซึ่งในช่างผู้ปลูกเรือนเจ้าจะปลูกเลือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสร็จแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสร็จแล้วจิตถึงเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือถึงนิพพานคือหลังจากที่พวกได้ทรงตัดสู่แล้วก็ได้ทรงมาพิจารณาตรงนี้แล้วก็ ทานขึ้นมาว่าที่เราต้องไปเวียนใบใตายเกิดในนับพมนับชาในไม่ทั่วนั่นแหละนะก็เพราะว่าเรามีตันหาอยู่คือนายช่างพวกปลูกเรือนเนี่ยคือตันหานะแต่เมื่อไม่แต่เมื่อพระองค์ในทรงตัดสู้ตรงนี้แล้วก็ได้พบว่าเออได้ทรงหักยอดเรือนนโะคงเรือนของตันหาออกไปมหมดแล้วนะก็คือตันหานี่แหละก็คือนายช่างที่ไปปลูกเรือน นะเพราะนั้นการที่มันจะมีการปลุกเรือนให้เราไปเวียนบายตายเกิดในวัตถุงสารนั้นก็หมดไปเพราะวในทรงเห็นก็คือถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหานั่นก็คือจิตหมดการปรุงแต่งนะบัด น, นี้เราได้ถึงซึ่งไปถึงแล้วซึ่งจิตที่สภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนะคือการสิ้นไปแห่งตันหานั่นเองนะ อันนี้แหะก็คือหนทางแห่งพนิพานนะเพราะนั้นตัญหานี่แหละก็คือความปรุงแต่ง <c oughs> ความปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งให้เราไปปรุงแต่งไปในให้จิตนะเกิดไปในสภาวะธรรมต่างๆนะความปรุงแต่งในใจิตใจเรานะมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากที่เรามีภัรษอในอายณะทั้งหกนะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนพัร <c oughs> ษาเนี่ย <c oughs> ภาษาก็เกิดจากการิตานะักเรียกว่าเป็นอายตนาภายในสัมผัสอยายตนาภายนอกคือรูป <c oughs> มีจิตเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุที่จะไปรับรู้ในตรงนั้นนะการที่จิตไปรับรู้ในตรงนี้มันเกิดวิญญาณธาตุขึ้นก็เรียกว่าเป็นสัมผัสสัมผัสที่เกิดขึ้นสามประการที่มันมารวมกันคืออายตนาภายในคือตาอยายตนาภายนอกคือรูปและจิตที่รับรู้เรียกว่าเป็นวิญญาณ จากขู่วิญญาณแลก็เกิดสัมผัสเนะมื่อเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาตามมาก็คือเวทนาก็คือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยเหนะ <c oughs> ล่าะนั้นนะเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาตามมานะก็คือการปรุงแต่งนะการทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นเนะมื่อเกิด <c oughs> การทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นก็คืิอุปาทานคือความยึด ต, ติดนะยึด ต, ติดในตรงนั้นนะ เมื่อยึดติดแล้วนะมันก็จะกลายเป็นภพนะเมื่อเกิดเป็นภพแล้วเกิดเป็นชาตินะก็เกิดเป็นชรลามาแลนะก็คือตัณหาเนี่ยแหละเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติต่อไปนะครา้นี้มันก็ต้องรู้ให้ทันรู้ให้ทันถึงสภาพที่มันปรุงแต่งให้ได้นะเพราะว่าการที่เราตามันก็ต้องมีใช่ไหมเราจะไม่มีตามันก็ไม่ได้นะอันนี้คือยกตัวอย่างดนะ้จริงๆมันก็รวมหมดนะ ตาหูจมลิ้นกายใจการกระทมเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดอันนี้ก็ยกตัวอย่างเพียงตาเท่านั้นเองนะเราจ ะ, อะบอกว่าเออไม่มีตาก็ไม่ได้น ะ, ะไม่มีรูปก็ไม่ได้นะเพราะมันเมื่อใดที่เรามีตาเราก็ต้องมีรูปใช่ไหมเมื่มีรูปมันก็ต้องเกิดวิญญาณก็คือการรับรู้เกิดขึ้นนะซึ่งการรับรู้นี่บางทีมันก็ไม่รับรู้ได้เหมือนกันถ้าเราไม่สนใจนะั่งเหมือนใครที่เดินไปเดินมา แต่ถ้าเราขนาดนั้นกาลังทำอย่างอื่นอยู่นะกลังนึกคิดนะกาลังพูดโทรศัพท์กาลังคุยกับใครอยู่บางทีคนเดินไปก็ยังไม่รู้ว่าใครเดินผ่านนะผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้เ น, นี่ก็เรียกว่าไม่เกิดการรับรู้เกิดขึ้นนะเพราะนั้นเมื่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งนะไปสู่เวทนานะก็คือเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความยินดีหรือ ย, ยินร้ายหรือเฉยๆนะบางทีเรา เห็นเห็นเพื entes, si ario, ่อนปุ maths, vez, ๊บเพื่อนคนนี้ดีจังเลยนะเราก็มีความยินดีเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความยินดีเกิดขึ้นทันทีนะหรือเพื่อนคนนี้เนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ก็เกิดความไม่เพาะไม่ชอบใจนะเกิดความไม่พอใจทันทีเหมือนกันนะในตรงนี้มันเป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วหรือคนนี้เราไม่รู้จักเลยเราเห็นแล้วก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรนะนี่ก็คือมันเกิดขึ้นมาสามอย่างนะตรงนี้เรา ตรงนี้เราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะเพะิ่มมันกระทบแล้วมันก็ต้องเกิดนะยินดีหรือยินร้ายอันนี้มันเป็นสัญญาคือความจําในใจเราจําได้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนนะจาได้ว่าเขาเคยทำดีกับเราเขาเคยทำไม่ดีกับเรามันก็เกิดความยินดีร้ายมันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะคราวนี้มันก็จะไปปรุงแต่งแล้ว เ, ออ <c oughs> เจอเพื่อนที่ที่ดนะีเราก็อยากจะไปพูดไปคุยไปทักทายไปถามสารทุกข์สุขติด นะไปพูดดีๆกับเขาตรงนี้มันเป็นการปรุงแต่งแล้วนะมันมันจะเป็นปัญหาแล้วนะมันเป็นการปรุงแต่งนะเราก็ไปทำเช่นนั้นนะตรงนี้เราก็เข้าไปสู่สภาวะแห่งความปรุงแต่งนะหรือเพื่อนที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีนะมาเราเห็นปุ๊บมันก็เกิดความไม่พอใจเราก็คิดว่าเออนะเราจะต้องหลบไปแล้วไม่อยากจะเจอเขา <c oughs> ไม่อยากพูดคุยด้วยนะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นนะหรือถ้าเจอกันก็จะไม่ทักทายนะถ้าทักทายก็จะทักทายแบบไม่สุภาพนะพูดให้ไม่ดีกับเขาต่างๆเ่านี้นะเ <c oughs> นี่ยมันก็เป็นตัญหาขึ้นมาแล้วว่าเป็นความปรุงแต่งที่ว่าเราต้องไปทำเช่นนั้นเช่นนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> การที่จิตนะมีความปรุงแต่งไปในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนะตรงนี้มันมันเป็นภพเป็นชาต นะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เราไปติดอยู่ในตรงนั้นนะติดอยู่ในภพ่าที่มันดีหรือไม่ดนะีคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีเนี่ยมันมันเป็นอุปทานแล้วนะการเราไปติดในรภาว่นั้นเนี่ยมันก็นําให้เรานะอุปทานเนี่ยเป็นนําให้เกิดภพภนะพก็นําให้เกิดชาติชาติก็นําให้เกิดชรลามรณะตามมาเนาะอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของปฏิจจสมบูรณ์ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ เพราะนั้นการที่เราต้องเว็นวายตายเกิดนั้นนะมันก็เกิดในจิตสภาวะจิตสุดท้ายนั่นเองนะจิตสุดท้ายที่เราฝึกมาไม่ดีนะมันก็ไปติดในสภาวะทำต่างๆได้นะคนที่ฝึกมาไม่ดีนะมันก็คือคนเราเนี่ยจะทําความดีหรือทําความชั่วเราตลอดชีวิตนะเราไม่ได้ทําแต่ความดีอย่างเดียวความสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำวาใช่ไหมคนนี้จิตสุดท้ายเราจะไปจับตรงไหนนะจิตถ้าไปจับตรงไหนมันก็ ภพภูมิมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะถ้าจิตสุดท้ายแล้วไม่ดีนะเรามีโทสะต่างๆหรือว่าเป็นนึกถึงกรรมช่วยที่เราทาไว้อจิตสุดท้ายมันก็ส่งผลให้เราไปสู่ภพภูมิที่จิตสุดท้ายได้บันทึกเอาไว้แล้วก็นำไปสู่ภพภูมินั้นนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นสภาวะของจิตที่ติดอยู่นะบางทีคนที่ทำความดีมาเรื่อยๆนะแต่ว่า แ้่เรานึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีได้นะเหมือนกับที่อพระนาง อ, าอะไรลืมชื่ออ่าพระนางวันนี้นะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสนิโกศลพระนางมริกานในตารางพระนางเมริกาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสนิโกศลอันเนี้ยทำํำกุศลไม่เยอะมากเลยนะเคยอ่ทําบุญกับผู้เจ้าด้วยนะ คันนี้พระตอนก่อนตายได้ก็ไปนึกถึงบาป <c oughs> ที่ตัวเองทำเอาไว้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะก็ไปาจากบาปที่เป็นนึกถึงเนี่ยไปเกิดก็เลยไปลงนรกเจ็วันนะพระเจ้าประเส น, นิโกสนก็จะมาถามว่าพระนางมาริกาตอนนี้ไปเกิดเป็นอะไรปรากฏพรเจ้ารู้ว่าจะมาถามเรื่องนี้ก็เลยทําให้นึกทําให้จําไม่ได้ให้ลืมไปนะเพราะถ้าตอบไปท่านก็จะทําให้หมดศรัทธาในพุทธศาสนาก็ได้แลทําไมทําบุญเยอะขนาดนี้ต้องมาลงนรกนะก็เลยทําให้ลืมไป เลยจะมาถามก็ลืมไปทุกครั้งนะครันนี้พอพ้น7จวันแล้วพระนางมริกาก็ตอนนี้พ้นยนานรกแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์นะมีวิมานสวยงามนะก็เลยมาถามตอนนี้พระนางมริกาไปเกิดเป็นไรพระเจ้าบอกว่าตอนนี้ไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์แล้วนะไม่จะเป็นห่วงพระเจ้าประเสริฐกุศลก็ดีใจเนาะอันนี้ก็เพราะว่าเนี่ยจิดสุดท้ายนี่มันจึงสําคัญนะว่าเร า, าสามารถที่จะให้เขาอยู่ในกุศลได้ไหมนะ ถ้าอยู่ในกุศลไม่ได้เขาก็อาจจะไปเสวยกรรมในตรงนั้นได้ก่อนนะเหมือนกับคอกบัวคอกวัวที่จริงก็จะมีวัวอยู่เยอะนะมีทั้งวัวดีแล้ววัวไม่ดีอยู่ในคอกในเยอะแยะเลยคราวนี้เวลาเปิดปากคอกเนี่ยวัวที่ออกก่อนก็คือวัวที่อยู่ปากคอกนั่นเองนะวัวที่อยู่ปากคอกนั้นถ้าเป็นวัวดีก็ดีถ้าเป็นวัวไม่ดีก็ไปในทังไม่ดีใช่วัวดีแล้วก็ไปเกิดในสุวติบัวที่ไม่ดีออกมาก่อนก็ไปเกิดในทุติ เพราะจิตที่สุดท้ายนี่จึงสําคัญนะว่าเราตรงจิต ต, ต, ตรงนี้เราสามารถที่จะให้เขาเป็นอย่างไรเป็นไปตามเราต้องการได้ไหมหรือว่าเป็นการให้จิตสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นกุศลได้ไหมนะมันก็จึงต้องมาฝึกจิตกันว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างได้เร็วไหมนะถ้าเราฝึกในการที่เราจะปล่อยในการบางให้จิตเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆนะ หรือจิตที่ไม่ไปคำนึงถึงสิ่งที่เป็นอกุศลบ่อยๆเช่นเรามีความโกรธเนี่ยเราออกจากความโกรธได้เร็วไหมเรามีความไม่พอใจออกจากความไม่พอใจได้เร็วไหมมีความอิจฉาออกจากความอิจฉาได้เร็วไหมมีความหึงหวงออกจากความหึงหวงได้เร็วไหมมีความเครียดความกลัวความเหงาต่างๆเหล่านี้เราออกจากอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมเพราะถ้าเราออกได้เร็วก็แสดงว่าเราปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วนะปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วเนี่ย มันก็มีโ อ, อกาสด้ว่าจิตส right. ุดท้ายของเราเนี่ยก็จะไม่ไม่ไปติดในลมที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะก็เคยเคยมีมีผู้ถามหลวงปู่ดูลนะเป็นพระที่ปฏิบัติได้ดีองหนึ่งก็ถามหลวงปู่ดูลว่าเวลาก่อนตายนี่เราจะวางใจอย่างไรนะหลวงปู่ดูลก็บอกว่าให้เข้าถึงสมาธิระดับอัปนาเลย นะก็คือสมาธิที่เรียกว่าสูงสุดแล้วก็หลังนั้นก็ให้ปล่อยทุกอย่างออกจากใจปล่อยวางทั้งหมดแล้วก็จะสบายนะถ้าตรงนั้นถึงแล้วก็เหมือนกับพ้นทุกไปเลยนะอันนี้ผู้ที่ถามนี่ก็คือเป็นเป็นพระที่ปฏิบัติในระดับสมาธิที่ที่ดีมากนะคือจิตเข้าสมาธิได้ระดับสูงสุดได้เป็นประจําอยู่แล้วหลวงพูดดุลก็เลยแนะนําไปเช่นนั้นนะ แต่พวกเรากคงจะทำเช่นนัไม่ได้นะเพราะเป็นสิ่งที่เป็นยากแล้วถ้าเราไปตั้งใจทํานั้นจิดสุดท้ายก็จะเป็นโทษสะถ้าก็ได้เพราะเราทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามีที่หลวงปู่ดูลูกบอกว่าก็ให้ให้ปล่อยให้หมดเลยนะก็คือให้ปล่อยวางให้หมดอย่าไปติดเนอะไรก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกไปได้นะตรงนี้เรามีโอกาสที่จะทําได้แต่ว่าไม่ยช่ว่าทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการตรงนี้ก็คือการมารทำก็คือเราเรามาฝึกในการที่เราเราฝึกปล่อยฝึกวางฝึกที่จะ ไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรกับไรของเขาไปนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราทำรํำตรงนี้ได้นจิจก็จะไปปรุงแต่งต่อไม่ได้นะการปรุงแต่งต่อจิตมันไวมากเรารู้ไม่ทันนะมันจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะนะเราทานอาหารเราก็ว่าเออมันเราก็ไม่ใช่ว่าเราชอบเฉยแต่เราก็ไปติดรสชาติว่าเออมันอร่อยนะเออตรงเนี้เราเราอยา ก, กทานอีกนะหรือว่าเราพอใจมันแล้วเราก็เออมันทําอย่างไรนะจะได้ไปฝึกทําเอง เรารู้สึกว่ามันมันน่ า, น, าน่าทานนะหรือร้านไหนเราไปร้านอาหารไหนก็ทานแล้วอร่อยมันก็เกิดติดใจนะไปปรุงแต่งแล้วก็เกิดอุปทานยึดติดโอ้ร้านนี้อร่อยนะทีหลังมาต้องมาทานอีกนะรั่นหลมันก็เป็นความที่เราว่าเราปรุงแต่งไปแล้วนะตรงนี้มันก็ต้องรู้ให้ทันนะถ้าว่าที่เป็นความปรุงแต่งทุกอย่างในใจเรานะเพราะมันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดตัณหาก็คือความปรุงแต่งตามมานะ ตรงนี้ถ้าดูในในขันห้าในความปรุงแต่งคืออะไรนะคือมันเราเนี่ยคนเรามันก็แยกก็ได้เป็นขันห้านะขันห้าก็คือรูปนะก็คือร่างกายเราพร้อมกับจิตใจหรือนามอีก4อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันอยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมบัติกันนั้นเลยนะกระวนการของจิตใจนี่นะมนันเวทนานี่อย่างที่บอกแล้วเมื่อเวทนาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ย มันก็จะไปส่งสัญญาณไปที่ตันหานะแต่ว่ามันเป็นไม่ได้เรียงตามปฏิจจะถ้าเรียงตามปฏิจจะมันก็ง่ายกว่านะถ้าเราเรียงว่าเป็นวิญญาณก็คือเมื่อมันเห็นก็จะเกิดเวทนาเวทนาเป็นวิญญาณปุ๊บเนก็จะไปดึงสัญญาเมื่อมันเห็นแล้ววิญญาณนะมันมันเห็นมันก็จะไปดึงสัญญาคือมันจะก็จําได้ว่านี่เป็นเพื่อนเรานะ มันเป็นเพื่อนเรามันก็จะเกิดเวทนาก็คื อ, อความชอบหรือความไม่ชอบนะเมื่อมันชอบหรือไม่ชอบมันก็จะไปเกิดสังขารก็คือความปรุงแต่งขึ้นมานะว่าเราต้องไปทําทอย่างนู้นทําอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปนะตรงเนี้มันคือกระบวนการในจิตเรามันแบ่งเัน4อย่างเช่นนี้น ะ, ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือถ้าจะเรียงตามลําดับคือวิญญาณสัญญาเวทนาสังขาร นี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันคือตันหาแล้วมันก็จะเกิดอุบทานเกิดพบเกิดชาติตามมานะนี่คือกระบวนการในจิตใจที่มันทํางานได้รวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกระบวนการของจิตแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะดําเนินจิตอย่างไรนะถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็มวัวแต่ไปสนใจไปติดใจอยู่ในตันหาคือความปรุงแต่งนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าแทนที่เราจะฝึกเขาปล่อยเ ข, เขาวางแล้วก็ไปทําให้เขาติดแล้วเอง เนะพราะในชีวิต <c oughs> ประจำวันเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะติดถึงสงสต่างๆนี่ได้ง่ายมากนะไม่ว่าตาเห็นรูปนะเราก็มีความพอใจยินดีในตรงนั้นนะเราก็ไปไปสแสวงหานะไปาต่อเติมในการที่เราจะต้องได้พบความพ อ, พอใจเช่นนั้นอีกเรื่อยๆนะหูได้ยินเสียงก็เป็นกัร น, น, นะเราก็ไปต่อเติมเป็นะปการปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะลิ้นกระทบรสก็ไปต่อเติมนะปรุงแต่งไปเรื่อยๆ จะมุ่ได้กินที่พอใจก็ไปปรุงแต่งต่อเติมไปกายกระทบเย็นร้อนนันขังก็ไปต่อเติมต่อเติมไปน ะ, ะจิตมีความนึกคิดก็ไปต่อเติมไปการที่ต่อเติมนั่นแหละก็คือการปรุงแต่งแทนที่จะหยุดแค่เวทนานะออรู้เท่าทันเวทนาพอใจไม่พอใจก็จบในตรงนั้นนะแต่เมันอไก็ไปต่อเติมเป็นตันหาเป็นวัฏานแล้วก็เป็นการเกิดพบเกิดชติไป นะเพราะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วนะมันจะเป็นการปล่อยการวางการมิยึติดการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นะตรงนี้คือความจริงต่างหากนะการมารรมมันต้องเข้าสู่ความจริงเข้ามาเห็นความจริงในตรงนี้่นะที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ที่เราสวดมนต์ธรรมวัเชเ้าทุกวันนี่แหลนะว่านะพระเจ้าได้บอกแล้วว่านะ รูปใบนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักนตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็มามาดูในความจริงที่มันเกิดขึ้นในกายและใจเราว่าเราบังคับบัญชาก็ได้ไหมใช่ไหม <c oughs> ร่างกายนี้เราก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้นะอจะบังคับให้เขาเนี่ยเป็นไปตามต้องการเนี่ยไม่ได้หรอกใช่ไหมนะเขาบอกเขาทำงานของเขาเองนะเอาไว้ว่าภายในทํางานเองทุกอย่างนะหัวใจเต้นเอง นะกับพออาหารทํางานเองเลือกสูบฉีดเองนะตรงนี้เราไปบังคับก็ไม่ได้เลยนะนะเขาจะแก่เขาก็แก่เองนะนะหูหูตึงตาฟางผิวหย่อนนะต่างๆแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็หลอกเรานะเออแบบว่าเอาเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะยกมือต่างๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราบังคับเขาได้ นั่นแหละมันเป็นความเข้าใจผิดเรานะเราก็เลยคิดว่านี่เป็นตัวตนของเราจริงๆนะนะตอนที่เรามาเห็นกายให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็ดูไม่ยากหรอกนะอยู่ที่ว่าเราอยากจะดูเขาไหมใช่ไหมดูในความไม่เที่ยงนี่แหละมันง่ายใช่ไหมนะเขามีความไม่เที่ยงจริงไหมใช่ไหมถ้ามีความเที่ยงจริงน่ยมันจะต้องไม่ไม่เป็นการที่เขาต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ร่างกายนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงของเขาทั้งวัน เราเราเห็นในตรงนี้ไหมการที่เขาเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะถ้าเราแค่ดอูอีบทอย่างเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเราเราไม่อยากที่จะให้เป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นเป็นไปนะเราบอกว่าเออให้นั่งนานๆนะทั้งวันมันก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วนะเพราะมันเมื่อยใช่ไหมแม้แต่เรานอนที่มันสบายที่สุดนะอยากจะนอนตัก20ีชั่วโมงไงมันก็นอนไม่ได้อยู่ดีนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง เห็นไหมร่างกายมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเพราะมันทนเอออภาวะเดิมไม่ได้ใช่ไหมเราจะบอกว่าเอออย่าไอนะมันก็ต้องไอใช่ไหมบอกว่าอย่าอย่าเกามันก็ต้องเก่านะบอกว่าอย่าเลี้ยวซ้ายหลายขวามันก็ต้องเลี้ยวซ้ายหลายขวาอยู่ดีนะนี่เราบังคับไม่ได้นะคืออรโบทในเระบังคับก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเขาต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ไหมยิงเขาเปลี่ยนแปลงภายในนะเราจะไม่เห็นหรอกเซลเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคือ7ปีเนี่ยเซลมันเปลี่ยนหมดหมดแล้ว เป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดนะมันเป็นตัวใหม่เนี่ยเราก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะเขาเรียกว่าความต่อเนื่องเนะี่ยมันปิดบังนะปิดบังอนิจจังนะสิ่งที่มันต่อเนื่องนะมันเป็นมันปิดบังอนิจจังนะตรงนี้เราก็ต้องเห็นนะว่ามันจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงป่านนี้เราก็เป็นเด็กตัวเล็กๆ Mort. นะั่นแหละเนาะอีกหน่อยเราก็เป็นคนแก่นะเราก็ต้องตายไปเนีย่ยมันบังคับไม่ได้นะนะ จิตใจนี่มันมันก็เห็นชัดนะมันก็คิดกมันทั้งวันอยู่แล้วนะเราจะบอกว่าเอ้ยให้มันหยุดคิดมันก็ไม่ได้นะหยุดคิดสักหนาทีก็ยังไม่ได้เราไม่รู้เลยอีกนาทีหนึงข้างหน้ามันจะคิดอะไรนะเพราะเราบังคับก็ไม่ได้หรอกนะความรักความชังความโกรธความเกลียดนี่เราเราก็ห้ามก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งนะมันกระทบคนที่ก็มาด่าเรามานินทาเรามันก็มีมีโอกาสที่จะเกลียดได้มีโอกาสที่จะโกรธได้ เพราะเราบังคับก็ไม่ได้นะจิตใจเราบังคับก็ไม่ได้หรอกยาโกรธยาเกลียดย่าลักยาชังนะเพราะกระบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสมันก็ต้องเป็นแบบนั้นได้อยู่ใช่ไหมเพีวยงแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้ทันไหมมรนะู้แล้วเนี่ยแล้เราไม่ไปปรุงแต่งนะไม่ไปปรุงแต่งต่อได้ไหมอ่านะเขาด่าเราเราไม่ต้องไปด่าเขากลับได้ไหมนะเขาดีกับเราเราก็ไม่ต้องไปเอ่อไปสรรเสริญเยือนยอ่อเขาได้ไหมใช่ไหมมันไปปรุงแต่งต่อนะ นะเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะห้ามตัญหาได้นะ เ, เขาด่าเราเราก็ไม่ต้องไปด่าเขากลับนี่แหละเราก็ป้องกันการปุ่งแต่งต่อได้นะพระเจ้าบอกว่าพูดที่คนก็มาด่าเราแล้วเราไปด่าเขากลับอันนี้มันบาปมากกว่านะเพราะการที่เราไปโกรธเขากลับเนี่ยเราก็อาจจะบาปมากกว่าใช่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ทันความปุ่งแต่งได้ชัดเจนขึ้นนะเราบังคับให้เาเป็นไปตามใจเราไม่ได้หรอก เราสามารถที่จะไม่ปรุงแต่งต่อได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไปบัชธรรมก็เพื่อให้เห็นความจริงนี่แหละว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเมตตนของเราเราจรึงบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเราจะเห็นความคิดบ่อยนะักเขาคิดวันหนึ่งมากมายนะอที่ตั้งใจคิดจริงๆเนี่ยมันมีน้อยนะเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็รู้เลยเออ ม, มันทํางานได้จริงๆนะมันเราบังคับเขาไม่ได้เลยนะเมื่อถ้าเราผู้ใดที่เห็นว่าความคิดไปทํางานได้ผู้นั้นตอบก็จะเห็นความโกรธว่า ความโกรธ ก, ก็ทํางานเองไม่ใช่เรานะเมื่อเราเห็นตรงนี้ บ, บ่อยๆจิตมันจะสรุปได้นะว่าร่างกา ย, ยจิตใจนี่มันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆนะเขาทํางานเองทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ เ, เราเนะพราะถ้าเป็นเราจริงความโกรกําลังอยู่กับเราตลอดไปนะแต่เขามาแล้วก็ไปนะในสุดถ้าเราเห็นตรงนี้ บ, บ่อยๆเราจะเห็นความจริงในตรงเนี้ว่าเมื่อเราบังคับบัญชาก็าไม่ได้แล้วเขามาแล้วก็ไปเขามาแล้วก็ไป นะจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการยึติดนะเมื่อนั้นถ้าเราเห็ น, นตรงนี้ว่าเขาไม่ใช่เรา เ, เขามาแล้วก็ไปจิตมันก็จะเกิดการที่เรียกว่าการปรุงแต่งต่างๆมันก็จะลดลงนะเพราะเมื่อใดที่มีเราอยู่นะมีเราอยู่นะการปรุงแต่งเมื่อกายเราปรุงแต่งเราลากักเราชังเราเกลียดเราโกรธเมื่อมีตัวเราอยู่แล้ ว, วเนี่ยสภาวะนี้มันเป็นการยึดติดนะเป็นอุปทานนะมันจะอยู่กับใจเราเรานานและการปรุงแต่งมันจะ จะกระเพื่มเยอะนะอก็คือเมื่อมีตัวเราอยู่เนี่ยเมื่อกระทบอลมมันจะเกิดการกระเพื่อมแรงนะยิ่งมีตัวเรามากเนี่ยตัวเราอัตราตัวเองสูงเนี่ยการกระเพื่มเนี่ยมันจะแรงคือมันกระทบแล้วมันจะกระเทือนแรงนะมันจะมีส่วนได้เสียในตรงนั้นนะแต่เมื่อตัวเราลดลงหรือตัวเราไม่มีแล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามการกระเพื่อมมันจะน้อยลงนะมันจะน้อยลงไปมาก หรือจะไม่กระเพื่อมเลยก็ได้ก็คือมันกระทบแล้วมันก็ไม่กระเทือนนะตรงเนี้ยความปรุงแต่งมันก็จะเบาลงจะน้อยลงหรือจะไม่ปรุงแต่งนี่แหละคือการที่ไปดับภพบดับชาติอย่างแท้จริงนะเพราะนั้นจิตที่มันกระทบแล้วไม่กระเทือนนี่แหละภพชาติมันจะสั้นลงน้อยลงมันจะเป็นการละตันหาคือความปรุงแต่งในตัวเมื่อมันละแล้วนั่นแหละคือเราได้หักยอดเรือน เราได้ลื้อโครงเรือนของเจ้าแล้วเราได้เห็นแล้วซึ่งปัญหาคือในชาติผู้ปลูกเรือนบัดนี้เรารู้เจ้าเจ้าเสือแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอเราได้ละแล้วซึ่งตัญหาคือความปรุงแต่งขนทางสุดท้ายคือผลิพานก็อยู่ไม่ไกลจากจิตใจเรานะเพราะเราได้ ลือคงเรือนของเจ้าคือตันหาคือนายช่างผู้สร้างพบเสียแล้วนะตรงเนี้ยพบชาติเราก็อยาสั้นลงน้อยลงนะเพราะเราได้ฆ่ า, านายช่างที่ปลูกเรือนคือตันหาให้ตายไปแล้วนะก็ตรงนี้ก็เราสามารถที่จะเห็นและรู้จักความปรุงแต่งได้ไหมนะถ้าเราไม่รู้จักความปรุงแต่งก็คือเรายังไม่พบนายช่างผู้ปลูกเรือนแต่ทั้งบุไดที่สามารถที่จะเห็นความปรุงแต่งได้นั่นแหละ ผู้นั้นเริ่มเห็นนช่างผู้ปลุกเรือแล้วเพราะนั้นผู้ใดที่เห็นแล้วก็สามารถที่จะจัดการที่จะฆ่าในช่างผู้ปลุกเรือนให้ตายได้แล้วเราก็จะไม่มีเรือนเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติอีกต่อไปนะเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ขอราธนาบารมีคุณพระตาไตรน้อมนงทุกท่านจเจริญด้วยสีงสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด